หมดเวลาหมดเวลาคุยแล้วจเจริญพรญาติโยมคราวนี้ญาติโยมนี้จริงนะงานของญาติญาติโยมโยมเรามาเจอกันในวันนี้เรื่องในงานเผาศพโยมชวีวันจะมาก็รู้จักครอบครัวนี้มานานแนละ้วหลายสิบปีแล้ว คยมเฉวีวัต์ก็รู้จักกันมานานญาติพี่น้องแต่ละคนแต่ละคนก็รู้จักนะแต่ตอนนี้ดูอาวุโสกันอาวุโสกันมากยหมกระทั่งในอ้อมในอ้อมที่จริงก็มางานศพของคนในตระกูลนี้หลายรุ่นมาแล้ว ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปนะเป็นลำดับลำดับคนที่เคยอยู่ก็หายไปคนใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ก็หมุนเวียนกันไปตลอดเวลานี่แปลวามันเล่นปีพาดแข่งกับเรา <laughs> เออปิดซะเลยคือ การที่เรามางานศพนะมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตคนตายเป็นครูของเราสอนเราเป็นครั้งสุดท้ายให้เห็นตัวอย่างถึงวันหนึ่งพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้งั้นก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก็มาเตรียมใจของเราให้เผชิญกับเวลาสุดท้าย เว า, าสุดท้ายนะสิ่งที่เราจะเจอส่วนใหญ่นะคือความทุกข์ทรมานทางร่างกายเวลาเจ็บป่วยมากๆร่างกายมีความทุกข์ขึ้นมาจิตใจมันจะทุรนทุรายทุรนทุรายแล้วถ้าจิตเศ้าหมองในขณะที่ตายในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเราไปไม่ดีพบใหม่ที่จะไปอุบัติขึ้นเป็นพบที่ไม่ดี ถ้าเราต้องเตรียมความพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วก็ความรัดพากจากสิ่งที่รักเลยต้องพลัดพากจากคนที่เรารักลัดพากจากลูกจากหลานจากคู่ครองสิ่งเหล่านี้จะต้องเตรียมความพร้อมไหมถ้าใจเราเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี้นะท่านก็บอกว่าคงไปเป็นเปรตนะก็จะไปสูทุกขคติ การจะเตรียมตัวตายให้พร้อมเนี่ยอยู่ที่เราจะต้องหัดเจริญสติให้ได้ถ้าเตรียมพื้นพื้นไมถึงขั้นเจริญสตินะเราก็หัดทําทานรักษาศีลอะไรงนี้ไปนหวังว่าทําทานรักษาศีนแล้วโอกาสไปสู่พบภูมิที่ดีก็จะมีแต่ว่ามันมีโอกาสพลาดนถ้าเราไม่เคยฝึกใจให้พร้อมที่จะรับความเจ็บปวดและความพลดัพลดพรากเนี่ย ทำทานถือศีลแค่ไหนถึงเวลาทําใจไม่ได้มันก็ไม่ดีอยู่ดีงั้นเราต้องมาเตรียมใจให้ดีฝึกจิตให้ดีนะจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันในอนาคตนี่พวกเราเสียดายโอกาสนะที่พวกเราเกิดมาในร่มเงาของพระพุทธเจ้าเกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้หัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้รับผลประโยชน์จากศ า, ศาสนาไม่เต็มที่อย่างการปฏิบัติธรรมมันก็มีสองขั้นขั้นแรกฝึกใจให้สงบนะขั้นที่สองฝึกใจให้เกิดปัญญานี่เป็นการเตรียมใจของตัวเองการฝึกใจให้สงบเนี่ยว่าการทาสมถกรรมฐานการฝึกใจให้เกิดปัญญาไม่ว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราทำได้สองอย่างนี้ก็ดีที่สุด ถ้าทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยะอย่างทําสมาถะกรรมฐานมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาๆคนหนึ่งจะทําได้ถ้าเรารู้หลักแล้วมันไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้หลักก็ยากมากเลยเช่นจิตมันไม่สงบปกติจิตมันจะฟุง้งซ่านนี่เป็นธรรมชาติของจิตเราไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตเราก็ไปหักฝืนมันะไปหักหานกับมันจะบังคับมันให้สงบเนี่ย ยิ่งพยายามบังคับเท่าไหร่มันยิ่งฟุง้งงั้นเราจะไปใช้วิธีบังคับจิตบังคับใจให้สงบเนี่ยมันไม่สงบหรอกมันต้องใช้วิธีหลอกล่อจิตหลักของการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยเราจะหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อธรรมดาจิตเนี่ยมันจะแส่ใสหาอารมณ์อันนนทีอันนี้ทีมันวิ่งเวิ่งหาความสุขนั่นเองนอย่างวิ่งไปดูหนังคิดว่าจะมีความสุขดูหนังเสร็จแล้วยังไม่สุขนะ วิ่งไปหาของกินอีกกินเสร็จแล้วอยากไปทำอะไรต่อยมีแต่ความอยากไปเรื่อยดิ้นหาความสุขไปเรื่อยนจิตที่มันเที่ยวหาความสุขไปนี่มันไม่มีความสงบมันเที่ยวดิ้นหาอารมณ์ใหม่ๆไปตลอดเวลาถ้าเราต้องการให้จิตใจสงบนี่เรามาเลือกหาอารมณ์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วจิตใจมีความสุขเอาความสุขมาล่อมันเคล็ดลับของการทาสมถะกรรมฐานก็คือหาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาล่อมัน จิตเหมือนเด็กซุกสนนะหนีออกจากบ้านไปเที่ยวเอาไม้ไปไล่ตีมนะันน่ะเฟืองเมื่อไหร่มันก็หนีไปเที่ยวเราต้องทําบ้านให้มีความสุขหาอะไรมาล่อมันนะอย่างสมัยใหม่นี่เด็กชอบเล่นเกมมีเกมเล่นแล้วไม่หนีออกจากบ้านละเพราะมีความสุขจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะจิตก็จะพอใจสงบอยู่ในอารมณ์ น, นั้นอย่างบางคนเล่นไพ่มีความสุขนะเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งคืน หรือหน้าบอลโลกดูบอลกันดูบอลแทบไม่หลับไม่นอนก็ดูกันได้เพราะมันมีความสุขเนี่ยเราหาอารมณ์ที่ทําให้จิตมีความสุขนะคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปนะคนไหนเดินโจงกลมมีความสุขก็เดินไปนะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งคนไหนถนัดดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปใช้หลักกันเดียวกันทั้งหมดเลยรู้ว่าลมไปอย่างสบาย ถ้าจิตมันพอใจในความสุขในอารมณ์ันนั้นแล้วนะจิตก็ไม่สนไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบลงมานี่เป็นหลักการฝึกจิตอันแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไว้ชํานาญเวลาเราจะตายจริงๆนะเกิดห่วงลูกฝังหลานขึ้นมานะเราก็พุโทโธพุโทโธไปไม่คิดเรื่องลูกเรื่องหลานไม่คิดแต่พุโทโธนะมารู้แต่ลมหายใจไม่ไปห่วงทรัพย์สมบัตินะหรือว่าเจ็บปวดขึ้นมานะก็มารู้ลมหายใจอย่างเดียว รักษาจิตให้สบายๆร่างกายมันเจ็บไปแต่ให้จิตมันสงบอยู่ทนะีนี้ก็เป็นวิธีเตรียมตัวตายอย่างหนึงนะ่งแล้วก็ดีเหมือนกันแต่มันมีดีกว่านั้นอีกนะการทำสมาธากรรมฐานเนี่ยในาศาสนาอื่นเขาก็มีนะแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานการที่ฝึกให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงนั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนาของเรานี้นะงั้นวิธีที่จะทาวิปัสสนากรรมฐานชื่อมันน่ากลัว แต่จริงๆไม่น่ากลัวอะไรมันคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราก็คือรูปกระ nam กายกระใจนี่เองเรามาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจวิธีเรียนรู้ความจริงเนี่ยเขาไม่ต้องไปนึกไปคิดว่าจริงๆเป็นยังไงต้องมาดูว่าจริงๆเป็นไงใช้ดูเอาใช้รู้สึกเอาว่าจริงๆร่างกายเป็นไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงนะวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีหลักการง่ายๆเลย ก็คือให้เรามาดูความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้เราเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราได้ยินบ่อยๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาฟังแล้วเหมือนเรื่องห่างไกลตัวเองความจริงเรื่องของเราเองะร่างกายนี้ก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้ มีแต่ของที่บังคับไม่ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาให้เรามาคอยรู้สึกตัวขั้นแรกแทนที่เราจะปล่อยจิตปล่อยใจเตลิดเปิดเผยไปที่อื่นเราค่อยมารู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยแล้วค่อยดูกายมันทํางานคอยดูจิตใจมันทํางานดูซิร่างกายเนี่ยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์มันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ดูของจริงะไม่ต้องเป็นนึกหรอกว่าจริงๆเป็นยังไงจะดูเข้าไปเลยจะเห็นของจริงน อย่างเรานั่งอยู่นั่งให้สบายนั่งอยู่ได้แต่เดี่ยวๆความสุขความสบายหายไปแล้วมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาละเนี่ความสบายไม่เที่ยงนะความสบายไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วถูกบีบคั้นนะจะสั่งมันว่าอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าเมื่อยก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะเรามาดูในร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้สั่งให้ไม่แก่ก็ไม่ได้สั่งให้ไม่เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้ สั่งไม่ได้จริงสั่งไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้กระหายทําไม่ได้ทั้งนั้นเลยได้ดูของจริงไปนี่ปรัชนากรรมฐานไม่ใช่การคิดเอาไม่ใช่การดัดแปลงความจริงจะเป็นการดูของจริงๆเลยนะเราจะเห็นเลยว่าของจริงในกายเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้นะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้ถ้าจิตใจเราก็มาคอยรู้ไปจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงนะโลภโกรวหลงก็ไม่เที่ยงไอจิตใจโกรธขึ้นมาน่ยไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องหาทางทําอะไรเลยตามรู้ตามดูไปเรื่อยความโกรธก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับนะอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยการที่เรามาคอยดูใจของตัวเองนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละเราทำที่ปรัสนากรรมฐานแล้วมาคอยดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจ เนี่ยหัดดูลงไปในกายหัดดูลงไปในใจดูของจริงไปเรื่อยๆเราพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดนะคือคลายความรักใคร่ผูกพันเพราะคลายกำหนัดนะจึงหลุดพ้นเราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนะี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามาหัดรู้อยู่ที่กายที่ใจต้องซ้อมทุกวันนะค่อยดูกายค่อยดูใจของตัวเองทุกวันดูที่มันเที่ยงไหมเที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์ นะมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูทุกวันทุกวันนะจนวันหนึ่งจิตใจเรายอมรับความจริงร่างกายนี้จิตใจนี้นะตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ของดีของวิเศษที่จะพึ่งพาอาศัยได้ตลอดกาลนะอยู่ได้ชั่วครั้งช่วคราวก็แตกสลายไปนะถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนี่แหละเรามีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นแนละ้วจะเป็นจะตายก็ไม่สําคัญลนะ เวลาร่างกายเจ็บหนักใกล้จะตายไม่จะเห็นมันร่างกายมันจะตายร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะเป็นเรื่องของรูปธรรมเรื่องของร่างกายจิตใจมันจะโหยหารู้สึกอะไรอาวรลูกหลานมีสติรู้ทันลงไปเลยนี่จิตใจมันโหยหาขึ้นมาเองมันผูกพันขึ้นมาเองจิตใจที่โหยหาผูกพันลูกหลานอะไรนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้จิตมันจะผูกพันมันจะบังคับไม่ได้ เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปจนเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเวลาทําสงครามครั้งใหญ่ในชีวิตคือเวลาจะตายนะเราจะมีความพร้อมนีร่างกายมันตายเราไม่ได้ตายร่างกายมันเจ็บเราไม่ได้เจ็บเนี่ยจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่ใช่เราพลัดพรากนขันห้ามันพลัดพรากเราต้องเผชิญกับอะไรข้างหน้านไม่สําคัญสําคัญว่าปัจจุบันจิตใจเราพร้อมอยู่แล้ว ถ้าจิตใจของเรามีความพร้อมแบบนี้นะถ้าตายเราจะตายอย่างสง่าผ่าเผยเคยมีเคยอ่านหนังสือนะของคุณหมออมราอมรามลีลานะคุณหมออมราเนี่ยบอกว่าแต่เดิมไม่เคยสนใจธรรมะนะนี่ยที่มาสนใจธรรมะเนี่ยตอนเป็นหมอใหม่ๆเป็นหมอเด็กๆ เ, เนี่ยไปทางานทางภาคเหนือ ทางเหนือตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องยาเสพติดมากแล้วก็ทรยศหักหลังฆ่าฟันกันเยอะวันหนึ่งมีให้หนุ่มคนหนึ่งถูกยิงมากระเพาะทะลุมาก็เข้าโรงพยาบาลแกดูแล้วต้องผ่าตัดโอกาสตายเนี่ยสูงมากเลยยังไงก็ตายดูแลตายแน่ๆเลยแต่ว่าโดยธรรมชาติของหมอนะถึงคนไข้จะต า, ตายก็ต้องสู้หมอก็ต้องสูนะ้ก็เตรียมจะผ่าตัดเพราะว่าเดี๋ยวหมอผู้ใหญ่มาจะผ่าตัด ระหว่างนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยร้องขอบอกหิวน้ํามากเลยเขาถูกยิงมาะขาดน้ําปากนี่แตกเลยขาดน้ําขอกินน้ํำข อ, อน้ําดื่มหมอบอกว่าให้ดื่มไม่ได้หรอกถ้าดื่มเมื่อไหร่ก็ช็อกตายเลยแลก็ก็ะเพาะมันตอรู้ละคนเจ็บเขาก็บอกว่าถ้าผมตายไปน่ยโดยที่ผมกระหายน้ําอย่างนี้นะผมทุรนทุรายตายนะ ผมต้องไปเกิดเป็นเปรืหมอรับผิดชอบไหทหรอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคนคนนี้นะหมอก็รู้สึกว่าคนนี้พูดแปลกแต่คงจะเข้าใจผิดหรอกตายไปแล้วคงไม่เป็นเปรืตายแล้วคงเป็นลิงเพราะหมอเ น, นี่ยเรียนทฤษฎีของชาญดาวินมาว่านะคนพัฒ น, นามาจากลิงงั้นถ้าพัฒ น, นาลงไปก็กลับไปเป็นลิงนะแต่ก็รู้สึกว่าเขาพูดแปลกนี่เนมะื่อเอสทาไมดูเขาไม่กลัวนะก็เลยยอม ให้ดื่มน้ำํำตอนเอาขันน้ําไปให้นะก็สั่งพยาบาลเลยเตรียมปั๊มเลยนะเดี๋ยวจะต้องช็อกละแล้วก็คอยระวังนะเดี๋ยวมันหิวน้ํามากนะคนนี้หิวน้ํามากเดี๋ยวสําลักปรากฏว่าคนไข้นะให้เข้าประคองขึ้นมานั่งค่อยๆจิบน้ําเนี่ยหมอก็แปลกใจอีกแล้วเอ๊ะคนนี้หิวน้ํากระหายน้ําหนักเลยนะแทนที่จะซดโทษโคกเข้าไปสําลักตายไม่ไม่ไม่ซอดอย่างนั้นค่อยๆจิบค่อยๆจิบมีสติ พอจิบเสร็จแล้วก็ส่งขันคืนให้หมอนะบอกว่าเนี่ยหมอรู้ไหมหมอทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยหมอถามฉันทำอะไรฉันให้น้ำขันเดียวหมอทำให้ผมตายด้วยความสงบนะหมอทาให้ผมตายด้วยความสงบหมอก็เอาขันไปวางนะหันกลับมาตายเรียบร้อยละเขาบอกว่าเออเนี่ยแกประทับใจตรงนี้นะหมอประทับใจตรงนี้นะว่าทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยนะตายได้สง่าผ่าเผยขนาดนี้ หมอเคยเห็นแต่คนจะตายนะทุลนทุลายทุเลสเลยตลอดเวลาคนนี้ตายอย่างสง่าผ่าเผยจริงๆก็คือจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะมันช่วยนะช่วยเราเวลาขับขันเวลาจนตัวอย่าคนที่ฝึกเจริญสติกตาตมาเนี่ยชอบขับรถเร็วคนเมืองชอบรถว่ำรถหงายรถพลิกนะแล้วก็ไปเรือกันนะว่าหลวงพ่อประโมทนี่ขังมากเลยนะลูกศิษย์ไม่เป็นอันตรายคะามจริงไม่ใช่หลวงพ่อประโมทขังะ พวกเราเขาฝึกเจริญสติมันดีพอรถเกิดอุบัติเหตุหมุนหรืออะไรนี่นะไม่ตกใจนไม่ตกใจไม่เหยียบเบรกสุมสี่สุมห้านะค่อยๆแก้ปัญหาไปรถพลิกรถคว่ำนะหัวก็เลยจะโขกด้านนี้ก็หลบซะหน่อยหนึ่งนะนี่ยจิตที่มันฝึกไว้ดีแล้วมันช่วยได้ขนาดนั้นงั้นพวกเราไหนๆเราก็ได้เจอพระพุทธศาสนานะพยายามฝึกฝึกจิตฝึกใจเสียดายวันนี้ลืมไม่ได้เอาซีดีมาแจกนะที่เราเอาหนะังสือเอาซีดีมา จะแจกขู่ปองไว้ก่อนก็น่าเกลียด ใ, ใครอยากปักก็ไปดาวน์โหลดเอาแล้วกันนะในเว็บอะไรนะวิมุต <net> ติด e t เน็เราฝึกดูนะเราฝึกดูหัดรู้สึกตัวขึ้นมาดูกายทำงานดูใจทำงานฝึกบ่อยๆแล้วเราจะพร้อมในทุกๆสถานการณ์พร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็พร้อมความตายมาถึงหน้าเราก็พร้อม นะงั้นเราไหนไหนก็มางานศพนะคนตายเขาก็แสดงให้เราดูละนะส่วนคนตายจะพร้อมหรือไม่พร้อมเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเรายังมีโอกาสคนตายแล้วไม่มีโอกาสแล้วเรายังมีโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมของเราเองนะงั้นฝากให้ญาติโยมพิจรารณาก็าละ ก, กันนะนะเท่านี้ก็แล้ว ก, กันอะอรับผ่อนนะถามว่าเรามีบุญอะไร บุญจากการฟังธรรมะเป็นบุญนะบุญจากการฟังธรรมะเป็นบุญใหญ่อันหนึง่งก็เป็นบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อเราได้ทําบุญแล้วนะก็เราทําใจให้สบายทําใจให้สงบนะอุทิศให้ผู้ตายนะก็จะเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งคือบุญจากการอุทิศส่วนกุศลนะวันนี้ก็เลยได้บุญหลายต่อนะอยะถาว่ารีวหาภูราภริภูเรนตีสาครัง เอวเมวาวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทพนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสเนตจังวุฒาปจจายโนจตตาโรธรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง